206. เศอษฐิปุตตะวัตถุว่าด้วยบุตรเศรษฐีเรื่องรักษาโรคเนื้องอกในลำไส้3ามสมสมัยนั้นบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีกำลังเล่นตีลังกาเกิดป่วยเป็นโรคลำไส้บิดข้าวต้มที่เธอดื่มไม่ย่อยไปด้วยดี อาหารที่รับประทานไม่ย่อยไปด้วยดีอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกดังนั้นบุตรเศรษฐีนั้นจึงสู้ผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งต่อมาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคิดว่าบุตรของเราเจ็บป่วยถึงเพียงนี้ข้าวต้มที่เธอดื่มไม่ย่อยไปด้วยดี อาหารที่รับประทานก็ไม่ย่อยไปด้วยดีอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกดังนั้นเธอจึงสูบผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งอย่ากระนั้นเลยเราควรไปกรุงราชครึกราบทูลขอนายแพทย์ชีวกต่อพระราชาเพื่อจะได้รักษาบุตรของเราแล้วเดินทางไปกรุงราชครึ เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐกราบทูลว่าขอเดชะบุตรของข้าพระองค์เจ็บป่วยขนาดข้าวต้มที่เธอดื่มไม่ย่อยไปด้วยดีอาหารที่รับประทานก็ไม่ย่อยไปด้วยดีอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกดังนั้นเธอจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง ขอประธานวโรกาสเถิดใต้ฝาละองธุลีพระบาทโปรดรับสั่งนายแพทย์ชีวกเพื่อจะได้รักษาบุตรของข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตด ร, รัฐรับสั่งชีวกโกมารพัทว่าไปเถิดชีวเจ้าเดินทางไปกรุงพาราณสีจงรักษาบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ชิวโกมาราพัทกราบทูลรับสนองพระดรํารดัสแล้วเดินทางไปกรุงพาราสีเข้าไปหาบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีตรวจ ด, ดูอาการของเขาแล้วให้คนออกไปขึงม่านมัดไว้กับเสาให้พันรยาอยู่ต่อหน้าแล้วผ่าหนังท้องนำเนื้องอกที่ลำไส้ออกมาแสดงแก่พันยาว่า เธอจงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอเข้าวต้มที่เธอดื่มจึงไม่ย่อยไปด้วยดีอาหารที่รับประทานจึงไม่ย่อยไปด้วยดีอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกดังนั้นบุตรเศรษฐีนี้จึงสู้ผอมมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งแล้วตัดเนื้องอกในลำไส้ออก สอดใส่ลำไส้กลับไว้ตามเดิมแล้วเย็บหนังท้องทายาสมานแผลต่อมาไม่นานนักบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีจึงหายป่วยเป็นปกติต่อมาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคิดว่าบุตรของเราหายป่วยแล้วจึงให้รางวัลแก่ชีวกโกมารพัฒ์เป็นเงินหนึ่งมื่นหกพันกะหาปณะนะ ชีวกโกมารพัฒรับเงินจำนวนนั้นแล้วเดินทางกลับกรุงราชครึ่ตามเดิม